บทที่สิโลกทิพย์อยู่ที่ไหนบุคคลส่วนมากคงจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าโลกทิพย์นี้ถ้ามีจริงจะอยู่ที่ไหนและเราจะไปถึงโลกทิพย์ได้อย่างไรปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดขเจาเองก็เช่นเดียวกับคนทั้งหลายเหมือนกันได้เคยครุ่นคิดหาคำตอบมาแล้วในสมัยเมื่อยังไม่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้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 ก็คือขพเจ้าคงมีสติสมรดีอยู่ตลอดเวลาที่ความรู้สึกทางกายเนื้อดับแล้วเริ่มเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์โดยในยะนนี้เมื่อว่าโดยฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้วก็ดูเหมือนจะกล่าวไม่ได้ว่าโลกทิพย์นี้ควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าการละ ก, กายเนื้อเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์นี้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 ก็รู้สึกเกิดความเบาและปลอดโปร่งขึ้นมาทั้งกายและใจขึ้นแทนที่มันเป็นความรู้สึกที่ระคนอยู่ด้วยความปีติยินดีเอิบอาบอยู่ในดวงจิตยงบอกไม่ถูกข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยากจะหายใจแรงๆด้วยความโล่งอกแล้วก็ได้กระทำตามที่คิดไว้จริงๆพึงสังเกตว่าความรู้สึกอันรุนแรงที่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงให้ได้ก็ดีและความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของกายเนื้อ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 คือในขณะที่ข้าพเจ้าได้ละ ก, กายเนื้อผ่านเข้ามาสู่ภาวะอันเป็นทิพนี้ข้าพเจ้าก็ยังอยู่ในห้องนอนดังกล่าวนี้เองดังนั้นน่าจะพอมองเขาได้หลังๆว่าโลกทั้งสองนี้คงจะซ้อนกันอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าจะแสดงว่าที่ตั้งของโลกทิพนี้ควรจะอยู่นาทิ่ใดเพราะด้วยอาศัยประสบการณ์ ดังที่ได้บรรยายมาแต่ต้นนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถจะบอกถึงฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโลกทิพย์ได้เลยในขณะต่อมาหลังจากที่ข้าพเจ้าเดละโลกมนุษย์ผ่านเข้าสู่โลกทิพย์แล้วก็คือการปรากฏตัวขึ้นของเอ็ดวินมิรผู้หนึ่งของข้าพเจ้ากูซึ่งได้ตายจากโลกมนุษย์มาก่อนข้าพเจ้าแล้วหลายปีสถานที่ที่เราได้พบ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 ขปเจ้าก็รู้สึกตัวว่าค่อยๆเคลื่อนไหวไปในที่ว่างเปล่าอ่างจากที่นั้นออกไปทุกทีซึ่งขพเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังเดินทางไปในทิศใดในขณะนั้นคงมีแต่ความรู้สึกว่ากำลังเดินทางไปเรื่อยๆเท่านั้นจะเป็นการเดินทางขึ้นหรือลงหรือไปตามทางราบก็รู้สึกว่าบอกไม่ถูกจริงๆยิ่งเดินทางไปก็รู้สึกว่า ตนเองกําลังเคลื่อนที่ไปยิ่งเร็วขึ้นทุกขณะและในที่สุดเมื่อเอ็ดวินได้บอกให้ข้าพเจ้าลืมตาขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าตนกําลังยืนอยู่หน้าบ้านในโลกทิพซ์เสแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆอีกหลายอย่างดังที่ได้พรนนามมาบ้างแล้วในบทต้นๆเหล่านั้นในบรรดาความรู้และประสบการณ์ที่ล้วนใหม่และแปลกประหลาดน่าทึ่งอย่างยิ่งนั้น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 อย่างชนิดที่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาคิดตรีตรองแต่อย่างใดเลยข้าพเจ้าได้สืบถามผู้อื่นในเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายท่านด้วยกันในเรื่องนี้ก็ได้ความจริงเป็นเช่นเดียวกันหมดทุกรายจริงอยู่ในตอนแรกเมื่อเริ่มฝึกหัดใหม่ๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในกายเนื้อยังไม่ลบเลือนไป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 โลกของเราควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์แม้เราจะถูกชาวโลกมนุษย์สมมุติเรียกกันว่าตายแล้วก็ตามแต่เราก็รู้ดีว่าเรายังมีชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังนั้นการที่ชาวโลกจะพูดถึงหรือคิดเห็นอย่างใดเกี่ยวกับพวกเราจึงไม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่อย่างใดข้าพเจ้าเองอาจมีส่วนผิดจากผู้อื่นอยู่บ้างก็ในข้อที่ว่า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 มีใช้อยู่เพียงโลกเดียวเท่านั้นแต่อันที่จริงมีอยู่หลายชั้นหรือหลายภูมิด้วยกันซึ่งบางท่านได้แบ่งออกเป็นเจดชั้นคือจากชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุดจนถึงชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นสูงที่สุดคําว่าต่ำหรือสูงในที่นี้หมายถึงความหยาบหรือประณีตแห่งจิตใจหรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงวิวัฒนาการทางจิตซึ่งจะสูงขึ้นไปโดยลาดับ เหมือนการขึ้นบันไดเจ็ดชั้นฉชนั้นอนาเขตของโลกทิ่์เหล่านี้อยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นเสมือนหนึ่งวงกลมล้อมรอบโลกเราอยู่อนาเขตของวงกลมเหล่านี้ยื่นออกไปในอากาศอันภัยสารและมีส่วนสัมพันธ์กับโลกนี้ในการหมุนไปรอบโลกและรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่ดวงอาทิตย์ ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อโลกทิพย์เลยทั้งนี้พระดวงอาทิตย์เป็นโลกฝ่ายวัตถุโดยปกติแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำว่ามีดวงอาทิตย์อยู่การที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าโลกทิพย์เป็นเสมือนวงกลมซ้อนกันอยู่รอบโลกมนุษย์นั้นพอจะมีหลักฐานอนุมานได้จากความจริงที่ว่าเมื่อเวลามีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปไมาเยี่ยมเยียนเรา ท่านเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงมายังภูมิของเราซึ่งหมายความว่าท่านอยู่เหนือเราขึ้นไปทั้งในด้านอาวกาศและในด้านระดับความประนีตของจิตในด้านตรงกันข้ามภูมิแห่งความมืดมิดซึ่งเป็นภูมิชั้นต่านั้นก็อยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุดและส่วนที่ต่ำที่สุดของภูมินี้ก็แทกซ้อน ก, นกันกับโลกมนุษย์ การที่เอ็ดวินบอกให้ข้าพเจ้าหลับตาเสียเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าลากกายเนื้อมาีใหม่และเพิ่งเดินทางเข้ามาสู่ภูมินี้เป็นครั้งแรกก็เพื่อไม่ต้องการให้เห็นความน่าสยดสยองของภูมินี้นั่นเองการที่โลกทิพซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆรอบโลกมนุษย์โดยมีโลกมนุษย์เป็นเสมือนกับศูนย์กลางนั่นเองอนาเขตของชาวโลกทิพจึงถูกแบ่งออกตามดินแดนสัญชาติ และภาษาของชาวโลกมนุษย์นั้นด้วยด้วยเหตุนี้โลกทิพย์ที่อยู่เหนืออาาเขตของประเทศใดในโลกมนุษย์ก็มักจะเป็นที่อยู่ของชาวโลกทิพย์ที่เคยเป็นประชาชนของชาตินั้นภาษานั้นเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์หมายความว่าโลกทิพย์ของฝรั่งก็อยู่ดินแดนของฝรัง่งและโลกทิพย์ของชาติอื่นๆก็อยู่เหนือดินแดนของชาตินั้นๆนั่นเอง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 อย่างไรก็ตามความจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นมีใช่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์บังคับกันเลยทีเดียวก็หาไม่เพราะทุกๆคนมีสิทธิเสรีเต็มที่ที่จะเลือกได้ตามชอบใจสุดแล้วแต่จะชอบอยู่ณนะส่วนใดของโลกทิพย์อันเหมาะสมกับภูมิชั้นแห่งจิตของตนเพราะในดินแดนเช่นนี้ไม่มีพรมแดนหรือหลักเขตแบ่งเชื้อชาติหรือประเทศไว้ดังเช่นในโลกมนุษย์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 คือเชื้อชาติภาษาหรือวันณะอันสูงต่ำแต่อย่างใดโดยเฉพาะในเรื่องภาษาพูดแล้วไม่มีปัญหา ข, ข้อขัดข้องแต่อย่างใดเนื่องจากเราใช้ภาษาของใจจึงไม่จาเป็นที่จะต้องพูดออกมาดังๆการกระทำความเข้าใจระหว่างกันก็เป็นของง่ายๆเพราะเราจะใช้วิธีส่งกระแสความคิดของเราให้พุ่งตรงไปยังผู้ที่เราจะสนทนาด้วย ซึ่งบุคคลผู้นั้นจะเข้าใจความหมายของความคิดของเราได้ทันทีและโดยถูกต้องณที่นี้เราพูดกันด้วยภาษาใจอาศัยเหตุดังกล่าวมาแล้วที่ว่าโลกทิพย์ของชาติใดภาษาใดก็อยู่ใกล้เคียงกับดินแดนของมนุษย์ชาตินั้นภาษานั้นๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมของโลกทิพย์ณที่นั้นๆ ก็มัจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะของโลกมนุษย์ในถิ น, นั้นไปด้วยเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา น, นั่นเองเพราะโลกทิป์เป็นผลของโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่นบ้านของข้าพเจ้าเองในโลกทิพย์นี้โดยลักษณะทั่วไปก็ไม่แตกต่างอะไรกับบ้านของข้าพเจ้าในโลกมนุษย์นักแม้ว่าส่วนปลีกย่อยหรือสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็ตาม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 บางท่านอาจจะสงสัยว่าในภาวะอันเป็นทิพย์เช่นนี้ยังจะมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างใดอยู่อีกหรือข้าพเจ้าขอตอบว่ายังมีอยู่เหมือนกันเป็นแต่ว่ามิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ยากลําบากหรือวิตกกังวลต่างๆนานาอย่างเช่นปัญหาของชาวโลกมนุษย์ยกตัว อ, อย่างเช่นหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วและเมื่อได้เห็นความผิดพลาดของตนเอง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 จนในที่สุดถ้าหากว่าความประนีตของจิตของเรายังไม่ขึ้นถึงชั้นของภูมินั้นแล้วเราจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เลยนี่คือเขตแดนตามธรรมชาติซึ่งแยกภูมิต่างๆออกจากกันเป็นชั้นๆนั่นเองหน้าที่นี้ความบางของอากาศจะทาให้เรารู้สึกมีความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัต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 แต่ครั้นเหลียวหลังกลับมามองดูก็ยังจะคงเห็นภาพต่างๆได้ดีในทางวิทยาศาสตร์เราย่อมรู้ว่ามีแสงบางชนิดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราและมีเสียงบางชนิดที่หูเราฟังไม่ได้ยินแต่ก็ยังมีอยู่อย่างแท้จริงชั้นใดภูมิแห่งทิพย์ชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องแสงและเสียงที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง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 ความเป็นไปของผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ชั้นสูงได้ก็ดีย่อมเป็นเพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วนี่เองหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงในคำบรรยญาที่กล่าวถึงสวรรค์ว่ามีเจ็ดชั้นนั้นขอให้เข้าใจนะครับว่าท่านไม่ได้ยืนยันเพียงแต่บอกว่าเขากล่าวกันว่ามีเจ็ชั้น ถ้าเทียบกับคมภีฝ่ายพุทจะแบ่งสวรรค์ไว้สากลุ่มตั้งแต่ระดับแรกขึ้นไปคือเทวภูมิมีหกชั้นต่อจากนั้นก็เป็นชั้นพรมมีรูปอีก16ชั้นและสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือชั้นพรมไม่มีรูปซึ่งมีทั้งหมดสี่ชั้นคนจะไปเกิดในชั้นพรมได้ต้องได้ฌานหรือบรรลุเป็นพระอริยะเช่นชั้นสุทาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีจะบรรลุธรรมในที่นั้นไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้นะครับที่เทวดาปกติจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้ในที่นี้อาจเป็นไปได้ว่าท่านรู้ถึงระดับเทวภูมิหกชั้นแล้วนับชั้นที่เป็นพรมทั้งหมดซึ่งรวมมียี่สิบชั้นนั้นเป็นประเภทเดียวกันจึงรวมเป็นเจ็ดชั้นก็ได้นะครับเหมือนเอาแค่ระดับที่พอจะเข้าใจได้เบื้องตน้นเลยเมารวมพรมทุกชั้นเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดในเรื่องของแต่ละภูมิอยู่ซ้อนโลกเหมือนเป็นวงล้อมรอบโลกอยู่นั้น ก็เป็นเพียงตามความรู้สึกของท่านมีคำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ในภาคที่สท่านอธิบายว่าการเรียกเป็นสถานที่อาจแค่เปรียบเทียบความจริงต้องบอกว่าเป็นสภาวะมากกว่านะครับเราบเปรียบคลายกับแต่ละภูมินั้นคือคลื่นวิทยุแต่ละคลื่นที่อยู่ในอวกาศแห่งเดียวกันแต่ต่างระดับกันและกระจายอยู่ทั่วไปไม่ได้จอจงแบบสถานที่บางทีความยึดติดห่วงใยถึงโลกมนุษย์ ก็ทำให้ดูเหมือนว่ายังอยู่ใกล้กันมากเป็นธรรมดานะครับและในจักรวาลยังมีดาวอีกมากที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เทวดาที่ผูกพันกับแต่ละโลกก็อาจเชื่อมโยงกับโลกที่ท่านเคยเกิดนั้นได้เช่นกันจึงไม่แปลที่ท่านจะรู้สึกว่าโลกทิพนั้นอยู่ซ้อนล้อมรอบอยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์เป็นวงเป็นชั้นอยู่หากเข้าใจในแง่คล้ายคลื่นวิทยุที่กระจายอยู่ทั่วไปแต่แบ่งแยกคลื่นกันชัดเจน และสามารถเข้าถึงจากวิทยุเรื่องเดียวกันความสูงต่ำของพลังงานคือจิตที่ประณีตหรือหยาบก็คล้ายคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำโดยเมื่อวัดกันด้วยโปรแกรมเกี่ยวกับเสียงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเสียงสูงจะมีคลื่นเสียงอยู่ด้านบนและเสียงต่ำคลื่นเสียงจะอยู่ด้านล่างเป็นธรรมดาเรื่องหน้าแปลในคัมภี ร, ร์นี้ก็คือปกติคําสอนของคริสต์ไม่มีสอนอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ท่านกลับบรรยายสภาพนรกสวรรค์ ได้คลายกับการอธิบายแนวไตรภูมิพระร่วงที่แบ่งสวรรค์นรกซ้อน ก, น, กนกันกับโลกมนุษย์เป็นชั้นๆซึ่งทำไมจึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ก็เป็นที่น่าพิจารณานะครับ